เมื่อทุกแล้วมีทางเลือกสองทาง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 เราจึงต้องมาฝึกเจริญสติเป็นเครื่องมือที่จะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของเรารู้เรื่องกายเรื่องใจเราลองมาดูกายเราเห็นไหมกายเราเนี่ยมันเห็นได้ง่ายเนี่ยอย่างขณะปัจจุบันเนี่ยเรากําลังอยู่ในอิเลียบทนอนอยู่เรารู้สึกตัวไหมว่ากําลังนอนอยู่แม้ว่าอาจจะตาปรื้ม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 กับอาการต่างๆของจิตคือความคิดนึกต่างๆมีเท่านี้แหละสรุปลงที่กายที่ใจหรือรูปกับนามนกายเนี่ยคือรูปจิตใจที่มันคิดมันนึกเนี่ยคือนามมมีสองอย่างเพราะนั้นเป็นชีวิตของเราทำให้จิตใจของเราวุ่นวายก็เพราะสองเรื่องนี่แหละเราก็ระลึกรู้ลงไปการรู้เนี่ยอย่ารู้แบบจับรู้กายเคลื่อนไหว รู้ใจที่มันคิดมันนึกเนี่ยอย่ารู้แบบจับรู้แบบแตะแตะรู้เบาๆรู้เบาเบ่าอย่จับให้มั่นคั้นให้ตายจิตใจมันจะเครียดรู้กายเคลื่อนไหวก็รู้เบาๆแตะรู้เบาๆจิตใจที่มันคิดมันนึกก็รู้เบาๆว่ามันคิดรู้ไปบ่อยนานเนี่ยมันจะชัดไปเองบรรยากาศที่เราอะไรเช็ดแว่นตานะ